คนบ้านในที่ไหนนะคนบ้านในแค่นเชื่ออะไรเนบ้านในไม่ใช่ไหนบ้างอบ้านใ่อยู่ที่ไหนคนแดงคนแดงเนี่ยคเชื่ออะไรเนี่ยคนเชื่ออะไรอะเชื่อพิเอเว่พิเอเว่ก็คุณเดินปอาก่อหมคุณเนี่ยไปนนอะไรมาก่อน ใครเสนออะไรมาเขาถามอ๋อคนบ้านเดิมไหนฮะชื่อใหม่เนชื่ออะไรนะคนมานี่คนพุทธงคหรือเป้านะเออดีพอไปเขาได้ไหมยุธิสุทธิเขาไปเขาได้ไมไม่ต้องเรียนฝึกฝนนะ อย่างไอ้คนนี้ก็ครูเนี่ยเขาเป็นพูดแนะนําท่านเองนะเื่าแบบนี้แต่ความจริงจริงความจริงแล้วมันสุดยากมากเมื่อก่อนนีงก็ฝึกมาสิบสิบปียังไม่ได้แต่ว่าคนที่ฝึกยากเวลานี้ก็รู้สึกว่าต้องเป็นคนที่สร้างสมรรถมีมันดีเพราะว่าวิชาสามกเรีจนสัญญากรณีนี่หนักมากไม่ใช่เบาเนะแต่ตอนนี้ผมมีอาการพิเศษอยู่อย่างนั้นคือ ไม่รู้ตัวเอกันมันมีกนักนีมากมายมันลมหยาบถ้าเป็นอย่างนั้นท่านหนักหนักตัวหน้าขาเมื่อเมื่อเกินไปเนี่ยเวลาเริ่มเจรพนามใหม่ๆให้ถอนใจยาวๆใจยาวแบบเป็นฐานถ้าสามสี่ครั้งก็ต่อไปลมจะละเอียดถ้าเริ่มต้นเพียเดียวลมหยาบประกอก็ทําไปทําไปลมละเอียดมันก็ตัดมันก็ตักัน ใช่ใช <gram ences> <Mor an> ่นั่นนี่นั่นแหละแล้วเริ่มต้นลมันหยาบที่นี่เราก็ติดต่อกันเยอะเลยนะใช่คุณโอรักคขวัตชัวัดถ้าคุณใช่ชัยวัดชัยุทธนีโลงข้าสงเกตข้าสงเกตนี่สงเกตที่บ้าอยู่ทุวนี้เออเออข้เก็กันเลย ไอ้วันหนึ่งเขาไปนานอมคนีพอปรอกอเพรนั่นไงน้หนักมันเยอะปริมาณมันมากก็งมีคนเสกสรรอีกคนเสกสรรคนอะไรช้ยยุทเลยอ้ยยุทเลยสมเกียรติโอ้ชื่ออะไรวะพิตอนน้ขาเียนหมตนพอะไรวะเลยกๆท่านหนักวะพิชิโอ้ะ แล้วก็คุณชัยวัดนีเราไปสอนก็ไปกลับวัดเลยเรื่อะไรสมชายกับคุณประดิษฐ์่าประดิษฐ์ประดิษฐ์ด ก, ก็ไปโผลที่จอมบึงทีวันนั้นพระจะวาดมาเราคุณประดิษฐ์ซอยู่ที่วัดจอมบึงถ้าคงยาไปพระเกี่วข่าวนี่ยถ้าพวดไปไปาเนี่ยของบ้ามาวัดมั้ยถ้ามันหมายวเสือินหล แกสบายๆแล้วแกไม่มาวัดบ้างแต่ก็คนนี้นดีไปหาจัดสิ่งใครด้วยเวทถ้าออกสุดดวงแล้วก็ไอ้สุตดวงนี่ตามบอที่เมื่อก่อนเขาใช้กันว่าขึ้นกันซึ่งเขาเป็นการศึกษาอะไรกร็จะถึ ง, งจะไปอยู่วัดอะไรวะฮะดอยนะดาดอยจอมแ จ, จ, จ้งจอมพอปาไป เออาตรงนน้เยนเอดีแต่ทุดตรงนี้สยุดกลัวผีมากเพาใช่อย่างนี้นะเวลาจะปักกรดเพราะว่าแต่และ ว, วัดจะไม่เหมือนกันนะแต่และ ว, วัดนี่จะไม่เหมือนกันเรื่องการให้แล้วกันเต้าทวตรงนี้มันมีนนจุดยออย่างแต่ที่เล่นทางสายศาสตร์นะนี่แหละอ่าพ่ที่เล่น ศาสตร์เนีเขามักจะลองถ้าเขาลองเราตายได้เขาเห็นเย้ไหอันนี้ต้องต้องจำไว้นะผมโดนมาแล้วนะในเวลาจะปัดกบเนี่ยต้องนึกถึงพระวจีศาจตา์เขาใช้คาถาบารมีสามสิทเจ้าถาบารมีสามสิทธะเนี่ยว่าอิติปารมิตาตริงสาอิติสัพนิยูมาคาตา อิติโุธิมนุปโตอิติปโสจตินโมอ่าตนนี้เป็นนอนๆเนี่ยคพระปานมาบอกแกไม่บอกพลาดไป บ, บ้างเลยเนี่บอกว่าเออักฟันก็ไปัยอ่นบอกเันทันแต่พวกก็ปย่ยใช่ไหมแต่จะว่าตอนนี้เขจะปักไอ้ครนวดตรงไหนไม่ถึงพรงนะใใพุทธเจา้าก่อนนะต่างใจนม่ถึงพระพุทธเจ้าก็เวลาเขาปักว่าว่าพัป้าร้านเนวาเล ย, เลยไปกิจบก็ได้เพราะอิติป ร, ออปรมิตาถิญญา อิติสัพญูมาคาตาอิติโพธิมนุกโตอิติยายาปิโสจตินะโมว่าเ้ยพญายั์เสร็จพอักเสร็จแล้วก็เวลาจะตอกหลักครื่องสายอัปโภคการเนี่ยเป็นสา ย, าสายเช่อที่ห น, นึ่งนะเรียว่าพระสา ม, ม, มิสัทเธพะที่ไปเลยว่าเรียกไปงงกว่าจะแน่เวลาปลูกก็เหมือนกันพระสามิสัทเธพะเนี่ย เป็นกระทาแต่วัดไปมเมื่อพันเขาแตวาดช้างนี้นะท่า น, นี้ช่างนีถ้าช่างมันนี้แล้ววันนี้ช่างไม่หมดเรืลยถ้าอยากช่างหนีไม่อยากรู้ช่างอยู่คนเหนือแล้วไปใส่ช่างตัวเราแต่อ น, นี้เป็นกระทะมหัมนต์ช่างนี้สับด้วยขาเขา่าสับก็จะมาวนได้แขกแขกหลักนะเข้ามาในหลักไม่ได้สาหรับกระทา บารมีสามจิตทัพนี่ต้องใช้สัตว์ธรรมะไม่เท่าเราบางทีมันชนหลังกรดปันนี้นะชนยอดกรดวันเลยทจะเป็นนก น, นกนมไม่เคยมาเาทำอะไรไม่ได้แล้วทุกคืนก็ต้องแผ่มตตาจิตก่อนที่จะปากักศดที่ตรงไหนต้องต้อ น, นึกถึงเจ้าที่ก่อนเจ้าที่เนี่ยเขาจะเป็นผีเป็นเทวดาอะไรก็ช่างแล้วก็เด็กคนในใจว่าพวกผีเทวดาวทั้งหมด ทุกสิ่งสิ่งก็ติดอยู่ในที่นี้ทั้งหมดเราถือว่าเรามาที่นี่ขออาศัยที่อยู่ขอพายัยพระโชคลาภเพื่อเจริญสมณะธรรมขอท่านหลายไ่าโปรดทรงก์ให้ความคุ้มครองด้วยท่านโทมิี้ได้ว่าร้อยสู้หกเสือทำไมทำทำไมสู้หกเอาแน่ก็ว่าก็มีหลายองค์ที่เสียกินนั่นก็มี ที่เสกินหนึ่งใครเสกินมนไม่ใชอะไรไปไปได้ไปกันนอนในการไปทุดดงนี้ต้องตั้งใจไปเลยลว่าเราจะไปเพื่อตักกิเลสในการไปตักกิเลสที่ต้องไปมันถูกต้องคือทุกเวลาทุกเชา้าตื่นขึ้นมาปั๊บจิตตั้งอ้องมีหานสีก่อนในรดับแรกแผ่เมตตาไปในะจั ก, กรวาลทั้งหมดก็เราจะไปมิตรทีดีของคนในสัติทั้งหมดเราจะเกือ้อกูลให้มีความสุข เนี่ยควาแผร่เมตตานี่ยตัี่สำคัญนะแล้วก็ว่าถาหาว่ า, าพความมั่นใจแล้วก็สดเบิกบาีรอาเียจากรวานี้ทั้งหมดเร า, เาแพร่เมตตาให้ทั้งคนทั้งสัตว์รั้งจุบาภพธีวิษัตถต่างๆทั้งหมดให้เขาไดมีความสุขเพราะว่าเขาเลยไปทำสมบัติลายหลังจากนั้นก็จับ หลัง scope, จาก Island, ここ ga, นั or, i, ้นก so ็จัสมาธที now, ени, ่เราต้องการไม่ต้องการใดๆเพรกะว่ามันเป็นเราผูองนะเพราอารมณ์จะต้องตั้งอยู่เสมอว่าเราจะไม่ไม่จิตไม่น้อาในราคะจิตไม่น้ในโทในโลภะจิตไม่น้อมมาโทสะจิตไม่น้อมมคในโมหะเพราะเราทังสี่ระดเี่ควาจมามราะใโลภะบางทีนั่งชินราคาบางทีนั่งชินโลภะ มันมีการอย ager, ่างเดียวกันถ้าตัดสินใจได้โดยตรงว่าชีวิตของเราลืมตาค็มันนี้เราจะมีโอกาสได้หลักใหม่หรือเปล่ายังไม่แน่วันนี้ทั้งวันที่เราจะผ่านไปได้น้าอยู่ไม่น่าจะตายก็ได้ถ้าตายก็เกิดทัห้ามไม่ใชเราไม่ใช่ของเราถ้าตายเราก็ต้ิงผ่านต้องจับให้ถนเดียว นี S <S <S <S an BA BA> ่เนี่ยเราพระอาหารเสีอเหรอมเนลุกมาขาบถุยเลยนี่อาหารพระมาหน้าอาหารเสยอนี่จะให้เราแ่งมาหน้าอาหารเสืออันนี้เราเราลงขับทีโอ้โหเราเนี่กีนอี่เขาไปกับเราเจกินแน่แต่ว่าเขาพู้ทรงปกติแม้จะอิมพีเรายลแห่งชาตหทวายสองจะรับนะ เนี่ยพวกราชการทั้งหมดอย่ารับตรงเงินรัฐบาเพราะเงินรัฐบนี่มันเป็นโรบยักถ้าผูดโดนจริงๆสมัยก่อนทำแบบนี้เดียวเนี่ยก็มีรถคันไฟขึ้นไล่กินแล้วการปรับสดก็ต้องถือถือว่าถ้าเราจะปักสดไปตรงไหนเนี่ยดูสัก่อนถ้ามันมีเป็นที่ก็หวงห้ามหรือเปล่าถ้าที่ก็หวงห้ามเราไม่ยปักเพราะว่าถ้าปรับเราไม่ถอไม่ได้ ถ้าตััวตไแล้วเนี่ยผลจะพลาจะตกเพ่าชิ้นสับลายจะคงมีนิธรรมไม่ได้เลยครับถ้าตายเมื่อตายไปเลยถ้าตัดชิ้นใจไปนั้นคิดว่าแทนที่ว่าไม่ชอบใจตรงนี้เราจะหนีไปตรงนั้นอันนี้ไม่ได้พูดงาพูดว่าเราเช่อเรมั่นใจครับไปเพื่อล้างกิเลสทันไ่ไปเพื่อล้กิเลสกิเลตัวชค้นขันนิสตอยู่ที่สกายะทิฏฐิ คือห่วงร่างกายขอ่เราเองนี่การไปแบบนี้เราก็ต้องมาห่วงร่างกายของเราถ้าห่วงร่างกายของเราก็ยังคุ้นดองไม่ได้นี่ถ้าตัวไม่ห่วงร่างกายร่างกายมันจะทําอะไรก็เชิญเราไม้ทำกานทีแสดงว่าไปไม่ได้ถก็ตายถ้าตัดสินใจแบบนี้มันาาไม่พอตายแม่เหนื่อนลูกเศ้าที่เสียไม่รอดของเราอะ หลวงพ่อข so ี่เสือนี่ท่านไปกับหลวงพ่อขันแลวขันมันกระจัดหลวงันเป็นผูทนำทีมเราก็อหลวงพ่อขี่เสือท่นไปด้วยตอนนั้นยังไม่เป็นหลวงพ่อยังเป็นหลวงพี่อยู่ไอ้เสือมันก็มามันก็มาดมชุบบชุบชบตอกต่างหามต่างหามปฏิวัติวัมันดมไปดมมาแ้อืนก็นั่งภาวนา มันก um, ็บ <Darwin> ล <ough> ัฟส ah <ic> in yup ุดจ <hur eto> ัดสดัดสุ huh. uh ัส huh. ุดจมนก็มันก็ายในใ่มันก็มันก็ไม่เข้าแม้มันเข้าแั้วโอกาสนี้อันนี้ก็ไปโดนฝึกฝึกอีกมาล้วทุกองมันไปบนวนวนโควดินติดติดดใหนายอยู่นะยชับแล้วก็ที่นี้เข้าเสียเนี่ยไ่ไม่เสียขาวี่สัตว์คนเราลุงพ่อที่ยุเสีย แกมีไอคอนทำไมไอ้อจอับมาาโกสมันมีปัญญาเป็นแล้ว ต, ต้อมม ง, อ ง, งอ ม, ม, มีอะไรกอย่างีไปตอน่โกส้าถึงวันไเราใจ่าว่านังจังอนประสิทนะเวะ ยัาเข้ากับจิตตัคระตัวจิตไอ้นี่กับจิตอดีจิตตัวนั่งจ้องเดี๋ยวมาแล้แจตาลงอยู่ไม่ไม่ถูกมันก็ตะกุยสับๆตัวก็จริงไอ้สางงงเนี่ยมัหัวบัขนาดกันบันลงไปงมา่านก็หันจ้องดกำลัง้ต่ไมตาจิตเลนะ เรียกว่าพระพาเมธตาจิตเราก็บอกแล้วก <language> ็ถาาย่ไหมหนจะไม่ดีนะพระพาเมธตาจิตตบมอบางวก็ตมหคุยสับซับซับ้วคุยลาองตรงตรงขนนั้นเสียมองแล้ก็ไปใช้ประสัทแบบนี้คุณไม่กลับมาแต่คุณตายแล้วผมตายด้วยอย่างนี้ ล้วเรเสียตายแค่เสียตายแค่ัดไปจิตใเพราะว่าทุกองก็ทูกองค์เขาต้องเสีหนักหน่ยนี่ต่อมาท่านก็อยู่กัอยางแฉะนต่อไปเขาเอาพระองใหม่เขากลับมาแล้วถามาเขามโกรธบอกตอนนั้นเขาก็โกรธกันเพราะว่าเขาตั้งใจว่าเขาเสียตายเมื่อไจะตยไรปนิพพานเขาตั้ารมณใหม่แต่ปีต่อไปเขาออกไปโยมยังแฉกเพราะนั้นยกครูได้เถิดท่ายงเก่ง นี time, ่เรี่องเราจิดเสียดกมาถานได้ไหมถ้าจำไม่ได้แี่คิดเราหมดสุชั่งใช่ไหมเมื่อเราเดินไปก็ต้องมีวัตถุบังถ้าจิตเราดีการจเรีนกรรมฐานที่วัดก็เหมือนกันเราทำมาวสีก็อยู่ในตาจะเป็นอารัญวาสีก็มีสีสีเหมือนกันแล้วก็มันต้องมีส่วนนี้เป็นอุปสรรคเป็นสัตว์กรรมฐานที่เราทํา แค่สัตว์ปู่ในถ้าอยู่ในบ้านถ้าอยู่ในวัดสัตวูมันมองง่ายถ้าเราวันนี้ตัดการเลกิกเงินจะมาของรางวัลก็มาเรื่อยๆอันนี้ครับว่าถ้าเราหลงเงินทับเงราจะหายแต่เงินโตหน้ามหารารแล้วก็มืดเ่ยวเงินจะมันนี้จะเป็นอะไรใจปากเรียนเพื่อนพระใช้ใจ่ายนงันในส่วนรวมสร้างเมีฐาน อะไรคนนี้เป็นธรรมทานตอนนี้ก็หมาดเลยแห ล, นน ล, แลนนะพระราชากระเต่าว่ากันบอกว่าไอ้คนเก่าท้ามาอยู่แล้วคนใหม่มันไม่มาเข้ไหถ้าสะสม ถ, ถ้าเราสะสมเนี่ยไม่หมาอะไอนงี้ยก็ไม่กิเลสเกิดตอนนี้ถ้นนาว่าทรัพย์สินมันมาเนี่ยเราก็จะเป็นหลงในทรัพย์สิสนเราก็ต้องบูนาจากคนที่เขถวายเพืให้เราเป็นความดีของเขา าเราสะสมแล้ว <to> <ia> hmm? <right> ่อความร่วยเป็นความเรวของเรามันไม่ตรงกันนะถ้าเขาให้เราเป็นทองดีเขาก็ให้เพราว่าเขาตัดสิคือเราเขาจะให้ได้เขามีความรอบคอเขาให้ทำได้มีความโลเขาตัดเขา็สาม่เขาตับตัวชักเขาให้นาทีหนึ่งของใหญ่มันเป็นมัดผที่เขาจาจะต้องใช้ล้วก็หาเนการเหนื่อากเขาให้มาเมื่หวังตัดสิน